ที่นี่มา ama, ถึงอาจารย์ประพัฒน์ที่จะพูดถึงเรื่องหลักการเหล่านี้ว่าน่าจะอมีความเป็นไปเป็นมาว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรในเรื่องเหล่านี้แล้วก็นําเรื่องเหล่านี้เกิขึ้นมาแลาม no ีอะไรหลายอย่างที่พวกเราหลายคนทําไม่ได้อาจารย์ประปพัฒน์ทำได้อย่างไรน่าจะเล่าให้พวกเราเป็นออะไรเป็นแนวทางนะบางคนในพวกเรานี่าจจะทําได้อย่างจะประพัดก็ได้เขาเชิญเพื่อน เวลาใกล้ฉันเพลนแล้วค่ะกราบนวัตการหลวงพ่อกราบนวัตการพระคุณเจ้าก็ต้องรบกวนข อ, อกวนเวลาสักเล็กน้อยนะคะที่จริงก็คงจะเหมือนเหมือนญาติธรรมทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะต้องขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะทําให้การจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันนะคะ นี่ก็เป็นกําลังซึ่งกันและกันความเป็นมาความเป็นมาเนี่ยเราทําโรงเรียนรุ่งอรุณมาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่เริ่มต้นนะก็มีความสนใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วที่ว่า เ, เราใช้หลักหรือแนวทางของวิถีพุทธอุตธรรมเนี่ยเป็นแนวทางของการเรียนรู้หลัก ของโรงเรียนของการศึกษาการศึกษาทั่วๆไปก็อาจจะใช้แค่สติปัญญาทั่วทั่วไปะนะคะแต่เราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไปได้ไกลกว่านั้นอีกแล้วทำไมผู้จัดการศึกษาที่ไม่ไม่บรรจุโอกาสอ น, นั้นเข้ามาในระบบของการจัดการศึกษานะคะ เพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะเสียเวลาชีวิตของเขาอย่างน้อยก็เนาะ อ, อนุบาลสามปีประถมหกปีมัธยมอีหกปีรวมเท่าไหร่แล้วคะสิบห้าปีเนี่ยในชีวิตเขาถึงเป็นชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตมนุษย์อะในการเรียนรู้นะคะก็เรียกว่าเป็นรุ่งอรุณของชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นวเป็น ที่ที่น่าสนใจน ะ, ะถ้าหากว่าเราสามารถจะนำเอาหลักการเรียนรู้ที่พระพุทธองค์ได้ได้ได้ไดยังไงวางรากฐานไว้ให้แล้วก็แม้แต่พระพุทธองค์เองก็เป็นเป็นครูตัวอย่างไว้ให้ดูเนี่ยนะคะวิธีสอนของท่านหรืออะไร แล้วคนไทยก็อยู่ใกล้เรื่องนี้มากเลยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธนะฮะผู้ที่รู้เรื่องนี้ก็จะเยอะมากนะครูบาอาจารย์และภิกษุพระเถระก็จะมีอยู่เยอะแยะมากเพราะฉะนั้นรีซอสก็อยู่ใกล้ๆนะฮะก็หน้าที่จะได้เป็นเป็นผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดละนะะแล้วก็อเผอิญว่า จะด้วยเรียกว่าโดยจังหวะเหมือันบัเอิญโดยความบังเอิญธรรมะจัดสรรได้มีโอกาสที่จะไปปรึกษาท่านพระเดชพระคุณอาจารย์พระผมกุณาพรเนี่ยพระธรรมปิฎกท่านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำแล้วก็บอกให้เราเป็นกำลังใจให้เราที่ที่ที่เราจะทำเรื่องนี้ หลักที่เราเอามาใช้จ ร, จริงๆชัดๆเลยก็คือหลักของกาลยานมิตรกับโยนิโสมนสิการนะคะเพราะว่าเป็นรุ่งอรุณของมรคใช่ไหมคะแล้วก็พยายามมาแอพลายมาประยุกต์ว่าเอ๊ะมันลงมาสู่วิธีการจัดการเรียนรู้ได้ยังไงตรงนี้เราก็เลยกลายเป็นโรงเรียนรุ่งอรุณที่มีวิธีการเรียนที่แปลก ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือเรียนจากเรื่องจริงเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> แบบเรียนสําคัญก็คือเรื่องจริงในชีวิตนะคะทุกวันนี้ก็จะได้เห็นว่าเรียนจะ ก, กิจวัตรประจําวันเยอะมากนะกิจกรรมเยอะแล้วเวลาการออกไปเรียนภาคสนามที่ลูกสาวของหมอนกไปเนี่ยตอนนี้ก็ไปเรียนภาคอีสานเขาก็ต้องไปเจอของจริงที่นั่น เรียนรู้จากชีวิตจริงๆสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีการที่ทำให้ให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเขามีความกล้าที่จะที่จ ะ, ะเผชิญเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเขาเองโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องมีมีไอ้อะไรละ่ะเขาเรียกว่าไอ้ตัววิชามันมาขวางมาขวางกั้น แต่เขาจะเป็นผู้รู้เองว่าในสถานการณ์ไหนที่เขาต้องการความรู้เพื่ อ, อามาตอบอะไรนะเพื่อที่จะมาเสริมอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท้าทายเขาด้วยด้วยโจทย์โจทย์จริงเสก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักหรือเป็นแนวที่ที่เราพยายามเริ่มต้นมาจนกระทั่งปีนี้ปีที่สิบเจ็ดแล้วนะว่าคนที่สำคัญที่สุดก็คือกัลยาณมิตรนะเพราะว่าเราใช้หลักอันนี้ ก็คือครูกับพ่อแม่นะที่ใกล้ชิดที่สุดขยันอ่ะมิที่ใกล้ชิดที่สุดเราก็เลยเริ่มฝึกครูมาก่อนฝึกครูมาก็พาครูไปปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เปิดปีแรกเลยก็ไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็หลากหลายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนครูก็เยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าไปบางทีเขาก็มีจริต ของเขาตามแบบอย่างที่เขาศรัทธาเราก็ไม่ปิดกัน้น mm. ก็ปล่อยให้เขาเลือกครูบาอาจารย์เขาเองด้วย mm. ก็หลากหลายแต่เราก็พยายามจัดให้เป็นคอร์สประจำสําหรับครูตลอดทุกปนะีปีหนึ่งก็อย่างไม่น้อยช่วงปิดเทอมถ้าอย่างน้อยที่สุดหนึ่งหนึ่งครั้งต่อปีต้องไปนะถ้าใครไปมากกว่านั้นก็ ก็ยินดีไม่ว่าอะไรไม่ถือเป็นวันลาไม่อะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างแม้แต่จัดปฏิบัติที่ข้างในโรงเรียนเองก็ก็ทำอยู่เรื่อยๆก็ลามมาถึงพ่อแม่ละคะพ่อแม่ก็เกิดชมรมพุทธทายาทขึ้นมาก็เป็นชมรมสวดมนต์ก่อนเพราะว่าศรัทธาของพ่อแม่เขาก็มีตามจริตของเขาเหมือนกันแล้วก็ไปบวช พาลูกหลานไปบวชที่อินเดียกันทุกสองปีนะบัดนี้ก็ยังทำอยู่ส่วนนั้นก็เป็นศรัทธาซึ่งก็เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็ทำให้เราอยู่กันง่ายขึ้นก็กลายเป็นชุมชนขึ้นมาเด็กๆ ก, ก็รอว่านี่เป็นวัดใหญ่ออยหน้าปากซอยมีวัดใหญ่ล่ม พาเข้ามาต้นซอยก็เป็นวัดใหญ่ อ, อ่อย <laughs> พอมาสร้างอาสมศิลป์ น, นะะพอรุ่งอรุณครบสิบ ป, ปีก็มาสร้างอาสมสิน์ก็พยายามเอาแนวทางหรือพื้นฐานเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในการจัดการเรียนการสอนเช่นกันนะคะในระดับอุดมศึกษาก็พบว่าก็ไม่ง่ายนะคะไม่ง่าย ค่อนข้างยากทีเดียวสำหรับในระดับของของอุดมศึกษาเนี่ยเด็กเนี่ยกับจัง่ายที่สุดแต่แต่ก็มีเงื่อนไขคือว่าเด็กก็ต้องมีครูที่ที่ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ไปกันไกลเหมือนกันนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเน้นเรื่องครูอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นที่มาที่ว่าเราก็เห็นผลนะที่เกิดขึ้นหลังจากทำไปแล้ว ผลที่เกิดขึ้นกับครูเองครูของเราก็จะมีความแตกต่างถ้าไปเทียบกับครูที่อื่นก็จะพูดง่ายไม่ค่อยไม่ค่อยกันนั้นกันนี้อไม่ไม่ค่อยเรื่องมากแล้วก็ให้ทํำอะไรยากยากว่าไม่บ่นอะไรแรกๆก็บ่นบ้างแต่หลังๆชินแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วผลที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เข้าเอาชนะไอ้ไอ้ อะไรละความเคยชินเดิมๆของเขาเปลี่ยนตัวเขาไปได้เรื่อยๆเห็นความสามารถใหม่ๆของตัวเองนี่มันก็เป็นกำลังพะละงกำลังให้ให้ครูนั่นแหละกลายเป็นครูที่นี่ก็เหมือนกับเขามีมีพลังแล้วก็ยืนหยัดได้พอสมควรทีเดียวนะคะมีมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานเพราะงานครูเนี่ยเราก็จะคอยบอกเขาอยู่เสมอเมืเป็นงานซึ่งมีคาสั่งให้ทาไม่ได้ มันต้องทำด้วยใจแล้วก็ทุกคนก็จริงๆแล้วก็ทำนอกคำสั่งทั้งหมดนั่นแหละงานครูเนี่ยเพราะเราไม่สามารถจะไปสั่งได้ละเอียดได้หมดอย่างนั้นหรอกนะฮทุกคนทำนอกคำสั่งตลอดเวลาต้องใช้วิจรารณญาณของตัวเองแล้วก็ทำให้ให้ให้มันเป็นงานที่สร้างสรรค์และสนุกอยู่เรื่อยๆนะคะน้นเรื่องเรื่องนี้เราเราก็เห็นว่า สิ่งที่จะหล่อเลี้ยงครูได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของสติเลยมาถึงวันนี้เลยค่ะหลวงพ่อว่าต้องสร้างครูสติเราก็พยายามไปแสวงหากิยานามิตรทั่วไปหมดนะคะแล้วก็ไปคบกับทางโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศเราก็ไปช่วยเป็นโคชชิ่งทีมเนี่ยก็ล่ากกันไปเนี่ยทั้งอาจารย์ปุ้มอาจารย์ออสรุ่นอาสมสินรุ่นแรกเนี่ยก็ฝึกโดยการไปตระเวนโคชชิ่งทีม แกนนาโรงเรียนวิถีพูทธทั่วประเทศยี่สิบสี่รอบด้วยกันนะเยอะมากอะตั้งพันกว่าคนก็เราก็เติบโตกันมาก็เห็นว่าออืมันก็เป็นเรื่องที่ที่จําเป็นที่ที่เราต้องเออ่มีเครือข่ายด้วยถ้าหากเราทําเราอยู่โดดๆเนี่ยหันไปผู้อะไรกับใครไม่รู้เรื่องเลยาาก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดนั่อยู่บนโลกนี้เอเลี่ยนไม่ได้นะฮะเราก็ต้อง ชวนชักชวนคนนคนนี้มารู้ไปกับเราด้วยก็มันเป็นเรื่องดีไม่เห็นเสียหายอะไรก็ไปชวนกันนะคะก็ใช้แรงอีกนิดนิดหน่อยๆนะคะก็ไปทําคนก็ชอบมาดูงานที่นี่เยอะแล้วก็เขาก็ เ, าเห็นนะว่าเออครูเราก็แตกต่างจากที่อื่น mm. นักเรียนเราก็ต่างที่อื่นนักเรียนเขาจบไปไปอยู่มหาวิทยาลัยครูบาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็จ ะ, จะจะจะพูดจะเป็นออพยานที่คอนเฟิร์มว่านักเรียนเราเนี่ยเรียนรู้เองเป็น พึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องการเรียนเนี่ยแล้วกเ็เป็นผู้ที่เป็นผู้นำในการที่จะทำอะไรอะไรเป็นทีมเวิร์คเป็นอะไรเนี่ยได้ดีทีเดียวก็ออย่างนี้แล้วเราก็เลยยิ่งมั่นใจาการาสร้างสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วกเ็เราก็ลงทุนมาเพียงแค่สิบหกสิบเจ็ดปีเองก็ ก็ยังเห็นผลที่อื่นเขาก็ทําโรงเรียนกันเก่าแก่นะคะที่ญี่ปุ่นเมื่อมาดูเราอายุ93ปีโร ง, งเรียนเขาเอาทําแนวนี้เลยค่ะหลวงพ่อค่ะก็ เ, เลยได้เครือข่ายอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะจากญี่ปุ่นเป็น holistic education ค่ะเขามาดูแล้วก็บอกอ้าอเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอะไรก็เหมือนกันหมดเลย93ปีค่ะมาแต่ตั้งเท่าไหร่แล้วคะ่ะ มาดูงานที่เราในเมื่ออาทิตย์ที่ที่ท่าแวบออกไปต้อนรับเขาเนี่ยมาแต่เดียอยเพราะนั้นก็เชื่อว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นเป็นฐานกําลังนะคได้หมดอะได้ทั้งครูได้ทั้งพ่อแม่แล้วก็นักเรียนเนี่ยก็อยู่ในในมือเราอ่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยนักเรียนอยู่ในมือเราเนะคุณพ่อคแม่โปรดทราบนะฮา อ, อาจจะเชื่อครูมากกว่าคพ่อคแม่ได้ซ้ําไปนะคะ เอออยู่ในมือเราแท้ๆเลยแล้วถ้าโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยนักเรียนทั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นไปเป็นประชาชนคนไทย ก, ก, ก, ก็คิดว่าลงทุนตรงนี้ถูกแล้วนะฮเลยต้องรบกวนหลวงพ่อมาหาหลักสูตรครูสติที่จะทําให้ไปใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นแล้วเราก็มีแนวโน้มว่าช่วงนี้ จะร่วมมือกับทางสํานักพุทธแล้วก็ทางมจรทางสพทเองเพื่อที่จะเริ่มฟื้นฟูโรงเรียนวิถีพุทธให้คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่จะเดนเองก็เสนอเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปที่รอบแรกทําเนี่ยเขายังไม่เคยชิมรสเรื่องการเจริญสติเลยฮะเขายังมาไม่ถึงเลยว่เอาเนี่ยศตวรรษที่สองเนี่ยของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ย เอาซะหน่อยนะคะทางพระมหาวิชาเนียก็เห็นด้วยนะฮแล้วก็แต่ว่ามันต้องมีหลักสูตรมันต้องมีหลักสูตรที่ฝึกครูก่อนนะคะก็เชื Murray, <am iller> <am iller> ่อว่าน่าจะทำได้ก็เลยรบกวนหลวงพ่อว่าเราทดลองทำหลักสูตรนี้ดูเดี๋ยวก็จะมีหนูทดลองรุ่นต่อไปคือครูปฐมห้าสิบคนนะคะ ให้หลวงพ่อได้ทดลองหลักสูตรอีกนี่ครูจริงๆเลยแต่นี่ครูจริงๆนะคะแล้วก็ครูมัธยมอีกรอบหนึ่งครูอนุบาลนี่ก็อาจจะเป็นรุ่นต่อไปนะคะนั้นนี่ก็ก็หวังว่าท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าที่นี้ใครถึงปรมัตนแล้วก็ช่วยกรุณนามเป็นกำลังเสริมในการฝึกครู ให้กับเราด้วยนะคะก็จะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้านะทำให้ท่านบรรลุธรรมได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า <c oughs> หวังว่าคงไม่ได้ชวนให้ท่านเนินช้านะคะเพราะว่า <c oughs> นี่นก็ยังสงสัยอยู่นะว่าหลักการคอนเซปต์ของพระโพธิสัตว์นี่จริงๆต้องทำให้คนอื่นไปขึ้นเรือได้ก่อนแล้วตัวเองค่อย ค่อยบรรลุจริงเหรอฉันคิดว่าไม่ใช่นะนั้นไปชือจี้มานี่ก็เห็นธรรมอาจารย์เจ้างเยียนท่านก็บรรลุทำแล้วเนี่ยท่านถนึงมาทำประโยชน์ให้คนอื่นได้มาศาลถ้าท่านไม่บรรลุทำคงไม่ได้นะฮก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดขวางนะคะถ้าท่านไหนสนใจที่จะมาร่วมแจวเรือลำนี้ด้วยก็ขอ ขอเรียนเชิญไว้ก่อนส่งบัตรเชิญไปล่วงหน้าเลยยินดีเสมอเอาขอบคุณมากค่ะขอโน้มโมทนาทีนี้ว่าได้เรื่องของตัวเองในในช่วงปฏิบัติคราวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าที่ควรเพราะว่าวันแรกก็ไม่ได้เข้าเนื่องจากว่าติดภารกิจสําคัญนะซึ่งทั้งวันด้วยเหมือนกันอันนั้นอ อันนั้นมันนัดไปนานมากแล้วเลื่อนไม่ได้แล้วก็เราก็เป็นประธานด้วยก็จำเป็นในในบางวันเราก็ช่วยคอยดูแลเรื่องของคือเนื่องจากที่นี่เนี่ยมันยังมันยังใหม่อยู่แล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องคอยดูบ้างนะฮะเรื่องสถานที่เรื่องวิธีการดาเนินการต่างๆก็เลยต้อง แบ่งเวลาไปทำเรื่องนู้นบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางวันที่ต้องออกแขกแต่ก็ได้พยายามเก็บสเปรทุกวินาทีที่ที่อยู่นะคะแล้วก็พบว่าการฟังธทมจากหลวงพ่อเนี่ยเป็นแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะวันต่อวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้ทีเดียวน ะ, ะรวมทั้ง การที่เราเราเหมือนกับรู้ว่าเราเวลาเราน้อยเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างจะเรียกว่าขจัดไ อ, อ, อ้สิ่งที่ที่มันจะมาเป็นอุปสรรคอะไรออกไปคื อ, อความที่เราไปปฏิบัติมาก็ประมาณสองปีสองปีแล้วนะคะหลวงพอ่อสักหกเจ็ดครั้งแล้วเนาะหกเจ็ดรอบแล้วนะคือขี้เกียจนับแล้วเพราะว่า นับไปก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะว่าครั้งที่หนึ่งเป็นยังไงครั้งที่สองเป็นยังไงอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำอะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์สุพลเคยมาถามไอ้ทำไมอาจารย์ต้องไปบ่อยๆก็ <c oughs> <c oughs> ย้อนกลับมาถามตัวเองเหมือนกันว่าไอ้ทำไมเราต้องไปบ่อยๆมันมีโจทย์ที่จะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะคราวนี้ก็เจออีกโจทย์หนึ่งค่ะ คือเรื่องง่วงเรื่องเวทนาทางกายอะไรนี่ก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหาอะไรสาหรับเราเท่าไหร่นะคะเ อ, อเพราะว่าใครไปปฏิบัติกระหลวงตามาแล้วนี่ก็จะรู้ดีว่าผ่านยิ่งไปห้ารอบหกรอบนี่แน่นอนนะคะในเรื่องนี้ผ่านแน่นอนอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่มันก็มาเจอเรื่องใหม่คือเรื่องที่ว่าวันนั้นก็แวะไปถามเป็นกราบนี่ เรียนถามหลวงพ่อว่าให้เราเจอโจทย์นะ เ, เ, เวลาที่เรามีสติครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่ที่เห็นว่าสัมมาสติเนี่ยถูกท้าทายยังไงสัมมาสติเนี่ยทำไมถึงยังไม่อยู่กับเราตลอดนะเริ่มเริ่มรู้เริ่มเข้าใจ ไม่งั้นแล้วเนี่ยเราเราเราปฏิบัติไป เ, เราก็เอ๊รูปนามเราก็เข้าใจนะเราก็เห็นมันเห็นทั้งในในเชิงทั้งในแง่ที่เป็นสมถะด้วยนะะเป็นนิมิตเป็นอะไรเป็นปิติเป็นอะไรก็ก็ก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เห็นในในแง่ที่มันมันบอกเราชัดเจนว่าเอ่อนี่นี่นี่ น, นี่เป็นรูปนี่นี่นี่รูป นี่รูปนามนี่นามรูปไว้ก็เห็นชัดเจนแต่ทําไมสติมันไม่อยู่กับเราตลอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมามามาก่อนนี้พอมาถึงปุ๊กเนี่ยความที่เราตั้งใจว่าจะใช้เวลาเท่าที่มีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเราก็เลยพยายามโฟกัสมันมากโฟกัสมันมากนะคะพราะเพราะเราเอ่อ เดินไปหรือว่านั่งสร้างจังหวะไปเนี่ยจนกระทั่งมันเริ่มอยู่ในระดับที่แหมมันเรียกว่าจิตจิตมันมันสบายมากเลยจิตมันมันว่างโล่งจิตมันอ่อนโยนนะมันเป็นอย่างนั้นสักประเดี๋ยวเดียวค่ะมันก็เป็นเรื่องละนะมันก็มี มานมาผจญมันเหมือนกับเงาของจิตนะพระอาจารย์เหมือนเงาของจิตที่มันจะสะท้อนไอ้ความคิดออกมาอยู่คู่กันมาเลยตีคู่กันมาพรนี้เกิด น, นั้นตามนี้เกิด น, นั้นตามมาตลอดเวลาเลยแล้วก็เ อ, อความที่เราก็จะไปเอาชนะมันนี่ไงจุดที่เราพยายามจะไปเอาชนะมันเนี่ยก็เลยเกิดอาการแบบ ทังเนื้อทั้งตัวเนี่ยตึงขึ้นมาหมดเลยนะครับปวดขึ้นมาหมดเลยก็ ว, วันนั้นทําเดินไปเดินมาก็เลยไม่ไหวแล้วไปถามหลวงพ่อดีกว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่าคงต้องลงมาใช้สัมปชัญญะละเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะก็เลยกลายเป็นทางที่เออเราก็ลืมไปเนาะลืมพอมีครูบาอาจารย์แนะเนี่ยอ่ะ ก็ง่ายนิดเดียวนะก็แค่เราก็ไปกระจายเออไอโฟกัสนั้นออกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็ผ่อนผ่อนกำลังลงแต่มันมันก็มันก็ได้คำตอบเหมือนมันได้คำตอบแต่มันไม่ได้ง่ายที่ว่ามันจะเคลียร์เรื่องนี้ไปได้ทันทีมันคงต้องใช้เวลาที่จะให้ให้เรื่องนี้มันเหมือนกับว่าอุปทานนี่มัน มันเหนียวแน่นมากแล้วก็มันอยู่กับเรามันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็โอ้ยมันทำไมมันเยอะแยะอย่างงี้โอ้ใช่ไมมันมากมายอย่างเงี้เจ อ, อจะอยู่นั่นแหละแล้วก็คือตอนที่เวลาเราสติเราดีเราก็จะชตดไปหมดใช่ไหมคะจะชาดไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะขยับตัวจะ อ, อลืมตาจะอเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาจะแม้แต่ผมลงมาโดนอะไรนิดหนึ่งมันก็จะรู้ชัดไปหมดทุกอย่างมันจะชัดไปหมดแล้วก็ทันใดนั้นมานก็จะออกมาทันทีว <c oughs> <c oughs> ันนั้เปอย่างนอ่าโอแม้แต่ดื่มน้ําอะไรนี้มันจะชัดไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอทันใดนั้นมันก็จะ มีมานออกมาทันทีมันจะเป็นความคิดความคิดที่เป็นอกูสลด้วยนะความคิดเพ่งเลงความคิดอะไรก็ไม่รู้หละสารพัดอย่างนะคะซึ่งเราก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่เรานะเนี่ยมันไม่ใช่เรานะทำไมเราจะไปคิดอย่างนั้นน่ะมันมาได้ยังไงอ่ะเนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องจริงที่ที่มันเกิดขึ้นมันก็มีได้มันก็ผุดขึ้นมาเองเราก็บังคับมันไม่ได้ แล้วก็พอเรารับรู้ตอนหลังเนี่ยมาจูนด้วยวิธีการเอารับรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะ่ะมันเป็นอย่างนี้เองมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้เช่นเดียวกับไอ้การรู้ชัดอย่างอื่นๆของเราอะ่ะมันก็อันนี้มันก็ชัดขึ้นมาเหมือนกันแสดงว่ามันก็มีอยู่ในตัวเราแต่ตัวรู้มันก็มีอยู่เช่นกันนะก็จะค่อยอย่างชั่วไปเหตุการณ์ก็จะสงบลงได้ เงั้นมันก็จะโชคกันอยู่ต ล, ลอดเวลาคะก็เลยเพราะว่าอ๋อสัมมาสตินี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องพร้อมด้วยสัมปชัญญะทั้งหมดแล้วก็รู้วิธีที่จะปรับที่จะหลี่ที่จะเ อ, อมีโยนิโสด้วยว่าเนี่ย อ, อมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปต้านนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปสู้นะมันเป็นของมันเองแล้วมันก็หายไปเอง แต่ว่าเรายัางตามดูที่เกิดมันไม่ได้เท่านั้นเองนะคะถ้าเราตามดูที่เกิดมันได้เนี่ยมันก็อาจจะจะได้ข้อยิงชั่วกว่า น, นีนะ้คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็ถือว่าสบายที่สุดแล้วถ้าเทียบกับของหลวงตาเอลุงนี้จัดเองสนานแล้ว <laughs> วันเดชบุญนะกันเนี่ยได้ความเมตตากรุณาจากหลวงพ่อเนี่ยฮะก็ที่จะฉลาดก็ต้องเสียข้างโง่ก่อนเลแต่ก็ต้องลงทุนใช่ไหมคะหลวงพ่อเราก็ไม่ควรจะค้ากําไรเกินควรนะคะต้องลงทุนกันหน่อยเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ไปลงทุนด้วยตัวเองมันก็ไม่ได้อ่ามันก็ไม่เอาตัวเข้าแรกมันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมันต้องใช้วิธีนี้แหละ บางครั้งมันก็ต้องดับเครื่องชนบางครั้งมันก็ต้องแบบฉลาดขึ้นนิดนึงก็อาจจะดีขึ้นหน่อยค่ะแต่ตอนที่ไปถามหลวงพ่อคือตอนซึ่งมันเบรกแรงมันเบรกแรงมากเลยพอมันเจอไอ้ตัวนั้นผุดมันเบรกแรงเลยมันทีนี้มันหลุดหมดเลยค่ะสมองสติมันก็หลุดหมดเลยคือเบรกแรงมันมันสะท้อนค่ะมันสะท้อนค่ะก็สนุกมากเลยค่ะแล้วคิดว่าเนี่ยตัวเองน่าจะต้อง คือคือต้องต้องมีเวลาที่จะปรีกวิเว้บ้างน่าจะนอดต้องขออนุญาตเขาไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไม่ไปไปกันอยู่เนืองๆก็น่าจะต้องมีเวลาที่ปรีกวิเว้ไม่งั้นแล้วนี่เราก็จะถูกดิส t r a c กไปถูกดึงไปเพราะเราเอ้าวพอกำลังที่จะได้ศึกษาถึงขั้นที่มัน ชวนก็เหมือนอย่างอาจารย์นอตระลังก่อนอะไรเงี้ยนะคะค่ะแลก็กราบขอพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อตลอดไปค่ ะ, คะค ก, กรรมส ก, นะกัดนะก็ในเวลาขอมาขอสรุปนิดหนึ่งว่าเคลียประเด็นของอาจารย์บพพรสองประเด็นประเด็นแรกที่ว่าเอ๊พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ตามคอนเซปที่เราเข้าใจกันว่า ะจะต้องขนสัมภสัต์ทั้งหลายขึ้นฝังซะก่อนแล้วตัวเองเค่อยขึ้นที่หลังเนี่ยแกบพัฒนตัต้งข้อสังเกตว่าเอ้ไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะไปพร้อมๆกันนะคือ <c> อ <oughs> นนี้มาเราก็ฟังตามที่เขาให้คอนเซปตมามหายานคือเป็นอย่างนั้นสําหรับเทรวาสก็คือการที่ภัยเรือขึ้นฝังแล้วก็ไปแล้วไปเลยไม่กลับมารับพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแตคง่ความจริงคําว่ามหายานเนะี่ย เป็นญาณของผู้มีปัญญามากทีนญาณคือเป็นญาณของผู้มีลองลงมาเพราะฉะนั้นหินญาณจะเป็นเจตวิมุตต์เป็นส่วนใหญ่มหายานจะเป็นปัญญาวิมุตต์เป็นส่วนใหญ่ลักษณะนั้น <c oughs> คือมหายานช่วยคนได้มากแต่เถเระว่าเนี่ยช่วยคนได้น้อยอย่างนั้นเ อ, อช่วยคนตามกำลังของตัวเองไม่ใช่ขนคนได้มากได้น้อยอย่างที่เข้าใจกันนะตามทีทประสบการณ์ออกมาเพราะฉะนั้นเอง เราก็พากันไปพร้อมๆกันนี่แหละแต่ว่าเหมือนเรือเรือที่เราพายก็เรือใหญ่อนะเรือที่เป็นเรือบางเรือข้ามสมุทรใช่ไหมเป็นเรือทั้งหลายชั้นเน่ยมั้ยคนทั้งหลายพันคนแต่เรือเรือนี้ก็เรือนั่งไม่กี่คนอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนเวัตกัมภายนเป็นอย่างนั้นเพราความสามารถในการที่ขนไปด้วยกันเนี่ยมันใหญ่กว่าคือหมายถึงภูมิธรรมภูมิปัญญาต่างกันอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเกี่ยวกับว่าพอดูรายละเอียดไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันเกิดอัตตาบางตัวมันขึ้นมาขวางเนี่ยเพราะอะไรนะมาก็ได้บอกว่าในช่วงที่เราทำสมถะมาตลอดเนี่ยเราได้พยายามเราก็บอกว่าเราสลัดความคิดแต่ความจริงแล้วบางอย่างมันสลัดได้บางอย่างมันสลัดไม่ได้ตัวไหนที่มันไม่สลัดไม่ได้มันเก็บไว้ใต้เสือ้อ เก็บไว้เยอะๆพอไปถึงจุดหนึ่งพี่จะมาเคลียร์จุดนี้ปะไอ้ตัวที่ใช่เสือมันโผล่ขึ้นมาอ่าก็คือขยะเก่าของเราเนั่นเองอ่าเราจะทําความสะอาดให้หมดแต่ว่ามันไปเจอขยะเก่าอีกกองนึงที่เราเคยเก็บเก็บมันไว้ใช้เสือนั่นแหละไปเจ อ, เจอตรงนั้นทีนี้เราก็เกิเป็นอับคุณมาทันทีใช่ไหมอ่าตอนนี้เรียกว่าต่อไปนับแต่ตอนนี้ไปตัวนี้มันจะไม่เคยมีเพราะส่วนใหญ่เรา เข้าใจคําว่าสลับก็เก็บกดได้บ้างแล้วแต่ในสมัยก่อนเราสลับกันมาทั้งอดีตเออทั้งสมถะ ท, ทั้งวิปัสนาสลับกันมาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสมถะสมถานี่หมายความว่าบังคับออกอะ่ะมึงไม่ออกก็ต้องออกนี <laughs> ่เราเราทำสมาธิได้สูงกว่าใช่ไหมเราก็บังคับออกแต่บางอย่างมันไม่พร้อมที่จะออกอัตตาของเราเราก็เก็บได้เอาไว้เขาเรียกเก็บกดแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถะวิปัสนาเลยภาวะการเก็บกดก็เป็นอันตราย เราพราะว่าจิตประสาทใช่ไแต่คนที่ปฏิบัติวิปัสสนานั้นสมถาวิปัสสนานั้นก็ตัวที่เก็บกดเข้าไปจะกลายเป็นอัตตาตัวใหม่เรียกว่าอัตตาทุบะอัตตาทุบะ ท, ทานอาาตัวนี้จะเป็นตัวอุปสรรคในเมื่อเราไปถึงระดับหนึ่งมันจะโผล่ขึ้นมาขวางทีนี้พระพุทธเจ้าเอาชนะตัวนี้อย่างไรแม่แม่ธรณีบีบมวยผมจำตรงนั้นให้ดีหนึ่งต้องอดทนดูมันอย่าต้านมัน ปลอยอกให้หมดสองก็มองหาวิธีการที่จะแยกมันออกเทียดตัวไอ้ตัวไหนแรงกว่าเอานั้นเอาตัวไหนแรงกว่าอย่พิ่งไปแตะต้องมันไอ้ตัวเล็กๆออกก่อนมันตัวเล็กๆออกก่อนไอ้ตัวพยามันค่อยสู้กันทีหลังสู้ตัวต่อตัวเลยเอาตัวเล็กออกมาก่อนนั่นคือการบีบมือผมอ่าคือตัวรู้เนี่ยต้องให้ให้สูงชัดเลยไปเลย ว่เห็นอยู่นะไอ้ตัวอย่าเข้าไปในมันอย่าเข้าไปในความคิดที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าไปในมันเน่ยเราจะไม่เสียทีมันแต่เราจะต้องดูแล้วกค่อยค่อยดึงมันออกมาประการสําคัญต้องต้องหยุดหยัดคือไม่ธรณีต้องทนดูมันไปเพราะฉะนั้นช่วงนั้นนะถ้าทนดูนไปสักนิดหนึ่งไม่ต้องรีบไปถามอามารยนะอาจจะมา ด, ดูทําไปแล้วก็ได้ <laughs> <laughs> อันนี้อย่างดึงๆึงไว้อยู่น ะ, <laughs> <laughs> ะเพราะฉะนั้นนั่นแหะที่ว่าความหมายพุทธิเจ้าพระจุลวานคือตัวนั้นทุกคน คือต้องใช้ความบทุนและใช้ปัญญาในการต่อสู้ในตัวอาตาัตมาเราจะไปใช้ตัวบังคับที่เลืแล้วมานี่ไม่ได้นะอันนี้มันตัวพยามันมาเองตัวลูกน้องพอบังคับออกได้ตัวนิวรต่างๆนี่นะห้าตัวเนะี่ยแต่ตัวพยามันต้องใช้เทคนิคไอ้คาว่าใช้ปัญญาตอวนะั้นอาจจะเป็นการเจรจาก็ได้เหมือนเขาทําสงครามกันระดับบิ๊กๆนี่นะมันจะจบด้วยการ ท, าาทําสงครามหรือที่ทำเจรจา ไปถึงเวลาสุดท้ายแล้วถ้าไม่เจรจาหมายความว่ลลาลาบเป็นหน้ากองทั้งสองแผ่นดินเหมือนกันเลยทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เหมือนกั น, นตัวภาวะรู้กับภาวะที่ไม่รู้เนี่ยมันเผชิญหน้ากันจริงๆแล้วต้องอาศัยการเจรจาก็คือใช้ปัญญานั่นหลยเข้าไปจัดการมันไม่ได้ออกไปทันทีนะมันขึ้นมาขวางมันไม่ได้ออกไปทันทีนะต้องเจรจามันหลายรอบบางทีเจรจาตัวกลุ่มเนี่หลายรอบกว่าจะตกลงกันได้อันนั้นคือประสบการณ์ครั้งนี้จะต่อไปเราจะง่ายขึ้นพอน ไม่ได้พอได้หลูกันที่เป็นเรื่องเลยอ เ, เออท้องพูดดีดีท้องพูดดีดีซึ่งามาว่าโอูอันนี้เองนะที่ที่พุทธเจ้าสอนแต่ว่ากลัวเราจะมาตีโจทย์ตัวนี้ได้เนี่ยนะมันมันคุ้มผลคุ้มเพราะฉะนั้นพยายามต่อไปมันทุกท่านในที่เนี้ยมาสัมผัสตัวนี้แล้วอย่าทิ้งความเพียรและความเพียรสักวันหนึ่งมันจะไปเจอตัวนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสิ่งที่ ถึงเพียรขนาดไหนนะถ้าหากว่าโยนิสูงมนุิการไม่พอนะก็จะยากอยู่เหมือนกันต้องมาคู่กันคำว่าโยนิสูงมนุษการตัวอย่างที่จันบนพัฒนคือดูละเอียดแล้วละเอียดอีกละเอียดอีนะ่ะกระทั่งว่าอะไรกระทบไปถึงกระทบนั้นละเอียดเข้าไปปั๊บมันจะไปเจอหลังมันเลยทีนี้เจอหลังของอาตาัตจารณนะ์ไปกระทบใกล้เหมือนใกล้เข้าไปนี่ละเอียดก็ยิ่ใกล้ใกล้รังมารเข้าไปทันทีเพางั้นเลยพอไปกรทบถึงตัวละเอียดปัป๊บเขขวางทันทีเลยอ่าเพราะฉะนั้ สัตว์ใหญ่ที่มันละอันตรายมันต้องอยู่ลึกมันต้องอยู่ลึกเพราะฉะนั้นต้องตามเข้าไปแล้วก็จะสนุกเรื่องนี้นะพวกเราอาจจะทาํทาทําไปเรื่อยๆแล้วสวรรค์นหนึ่งถ้าเราไม่ทิ้งเนะมันจะจืดภาวะแบบนี้ทุกคนแล้วตรงนั้นถ้าหากว่าใครโชคดีก็ชนะไปเลยใครโชคไม่ดีก็รับพิบัติสู้กับมันต่อไปอีกหลายภพหลายชาติเกันเนะลยนะนั้นก็มาถึงตรงนี้นก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้ทําภารกิจอย่างสมบูรณ์ ในครั้งนี้ทั้งหมดที่เร า, าได้มาประเมินผลได้รีพอร์ตกันออกมานี้จะเป็น <c oughs> แบบอย่างและเป็น <c oughs> วิธีการที่เราจะนำไปใช้ในข่ายต่อไปแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องครูสติที่จะทาต่อไปก็คิดว่าจะเป็นการทำหลักสูตรไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์ที่สุดก็คือแต่ละชุดแต่ละชุดก็คือช่วยกันทาหลักสูตรไป จนกรทงสามารถที่จะมาใช้ได้และจะก่อให้เกิดผลก็คือตัวพุทธวิถีที่ขยายทั่วออไปเท่ากับพวกเราได้ช่วยกันเผยแพร่พุทธศาสนาที่แท้จริงในประเทศไทยด้วยอนิสงส์นี้ขอให้เราได้เข้าถึงตัวสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานได้กันทุกคนทุกท่านเทิน